ดิฉันพบคนที่รู้จักกับพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อมีเมียใหม่เป็นคนลำปางมีลูกสาวสามคนดิฉันเริ่มสาปแช่งพ่อตั้งแต่วันนั้นดิฉันขอเล่าย่อๆนะคะว่าต่อจากนั้นพ่อเคยพาลูกๆมาหาดิฉันมาขอความช่วยเหลือเพราะพ่อถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากถูกจับได้ว่าร่วมมือกับพวกยักยอกเงินของการไฟฟ้า ดิฉันไล่พ่อและลูกๆของเขาไปเรากับไล่หมูไล่หมาดิฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าดิฉันเลวมากดิฉันใจร้ายกับพ่อกับน้องๆที่เป็นลูกของพ่อเช่นเดียวกับดิฉันพระอาจารย์คะดิฉันจะได้พบพ่อและน้องๆไหมคะหลอนถามท่านพระครูด้วยใบหน้าที่นองน้ําตาพระอาจารย์ยังไม่ตอบคําถามของลูกศิษย์ แต่ประเมินผลการปฏิบัติของนานาศาสนิกทุกรูปทุกนามในที่นั้นว่าอาตมาสำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่นั่งณที่นี้ไม่มีผู้ได้ได้ของดีกลับไปเลยโยมผู้ชายสองคนกับโยมผู้หญิงห้าคนที่เข้าใจว่ายโยมได้ของดีนั้นยังเข้าใจไม่ถูกต้องขอให้ทำความเข้าใจเสี้ยใหม่ว่าของดีที่ว่านี้ อาตมาหมายถึงการได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบานันในที่นี้ยังไม่มีใครเป็นพระโสดาบานันแต่จะได้บุญไปทุกรูปทุกนามใครตั้งใจปฏิบัติมากก็ได้บุญมากใครปฏิบัติเหยอะเยะแยแยะก็ได้บุญเยอะเยะแยแยะกลับไปเหมือนคนที่เวลาดีๆใหม่มาทำบุญมัวแต่สวนเสเฮ ห, หากินเหล้ากินยา ก, กัน นึกว่านั่นเป็นความสุขแต่พอเจ็บไกรตายก็หอบสังขารมาทำบุญเมื่อมาทำบุญตอนเจ็บเจ็บท่านก็ได้บุญแบบเจ็บเจ็บกลับไปบุญแบบเจ็บเจ็บเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์บุรุษหนึ่งกราบเรียนถามอยากรู้ก็ลองมาทำบุญตอนเจ็บเจ็บดูแล้วจะรู้ท่านตอบใครยวนทั้งที่มิใช่ยวนพระอาจารย์ครับ การที่คนเราได้ของดีที่พระอาจารย์หมายถึงการเป็นพระโสดาบันนั้นต้องมาเข้ากรรมฐานเท่านั้นใช่ไหมครับหรือว่าคนที่ไม่เคยเข้ากรรมฐานก็อาจเป็นพระโสดาบันได้บุรุษคนเดิมกราบเรียนถามอีกเท่าที่อาตมาประสบมากับตัวเองสดสดร้อนๆ้อนเมื่อไม่กี่วันมานี้โยมคนหนึ่งเขาไม่เคยเข้ากรรมฐานมาก่อน เขาเป็นเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์หลายรูปไปนมัส ก, การสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียท่านหมายถึงเท่าแก่เสง่์ใจบุรแต่ที่ไม่ได้บอกชื่อเพราะรู้ว่านานาศาสาศนิกในที่นี้ไม่มีผู้ใดรู้จักเท่าแก่เสง์อัตมาก็ได้รับนิมนต์ด้วยดูเหมือนจะไปกับสุดที่มักทัว อ, อ๋อไม่ใช่ไปกับสุดที่ทมทัว เพราะสุดที่มักทัวไม่มีภรรยาข้องโยมคนนี้ก็ไปด้วยวันที่ไปนมัส ก, การธรรมจักรกับวัตนสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีนับป่าอิสิปตนะมลึกขไทยวันแขวงเมืองพารานสีซึ่งปัจจุบันเรียกว่าสารนาตนั้นอาตมา ก, ก็ได้นำพระสงฆ์และโยมที่มาแสวงบุญในครั้งนี้ จเจริญพระพุทธมนธรรมจักกับวัตนาสูตรที่ธรมเอกศตูปโยมคนนี้เขาไม่รู้ภาษาบาลีแล้วก็ไม่เคยฟังมาก่อนจึงฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ตั้งใจฟังเมื่อได้ฟังถึงตอนที่ว่าพิกเวปุเพออนันุตเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิ วิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิซ้ำๆกันถึง12ครั้งเขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่นั้นนั่นเองเขาบอกพระอาจารย์หรอคะสตรีที่นับถือศาสนาสิกกราบเรียนถามเขาไม่ได้บอกอาตมาหรอกแต่อาตมารู้จึงถามความรู้สึกของเขาซึ่งภาษาธรรมเรียกว่าสอบอารมณ์ ปรากฏว่าคำตอบที่เขาตอบอัตมานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีคุณสมบัติของพระโสดาบันครบถ้วนเขามาส่งอัตมาที่วัดด้วยและวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ใครอยากปฏิบัติกับพระโสดาบันก็ให้อยู่ต่ออีกเจ็ดวันนะไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองข้าววัดวัดอัตมามีข้าวเยอะจะอยู่ทั้งปีก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติถ้ามากินมานอนเฉยเฉยโดยไม่ปฏิบัติจะเป็นบาปไหนใครจะอยู่ต่อบ้างโยมจะอยู่ต่อไหมท่านถามแม่เชิญศรีทั้งที่รู้คําตอบแล้วก็ท่านเป็นคนสั่งเองว่าให้หล่อนเข้ากรรมาฐาน15วันแล้วจะแก้ปัญหาชีวิตได้อยู่ค่ะโยมกับแม่ขออยู่ให้ครบ15วันค่ะแม่เชิญศรีตอบ ผมขออนุญาตอยู่ต่ออีกคนหนึ่งครับบุรุษวัยหที่นั่งแถวหน้าสุดขออนุญาตเขาเป็นผู้อำนวยการกองกองการเจ้าหน้าที่กรมการาศาสนากระทรวงศึกษาธิการเขามีความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงที่เมียชอบเล่นไพ่วันไหนเล่นเสียก็หาเรื่องด่าทอเข้อหยาบๆยาบคลายมีอย่างที่ไหนหน้าตาของเขาก็ดูดีมีสง่าราศี แต่หลอนกลับด่าว่าเขาหน้าเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่เขาเกิดทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะหลอนดาเขาเสียงดังจนได้ยินไปถึงบ้านใกล้เรือนเคียงหลอนด่าว่าผัวตัวเฮงซวยไอหน้าเหี้ยเขากลั้นความกโกรธไว้อย่างยากเย็น พูดกับหลอนด้วยเสียงปกติว่าเราอยู่ได้กันมายี่สิบปีผมไม่รู้ว่าคุณเอาเฮียมาทำสามีตั้งแต่เมื่อไรผมเป็นมนุษย์หน้าตาโสภาภาคจึงต้องขอลาจากนั้นเขาก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ายกไปใส่รถแล้วขับออกจากบ้านไปไม่สนใจหลอนที่ส่งเสียงร้องขอโทษขอโพยตามหลังมาเขาขับรถไปบ้านเพื่อนร่วม ง, งานบอกความประสงค์ว่า จะมาขอพักด้วยสักระยะหนึ่งจนกว่าจะหาบ้านเช่าได้วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำเรื่องขอลาพักร้อน15้าวันแล้วก็จึงเดินทางมาเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงคิดว่าเมื่อครบเจ็วันแล้วก็จะท่องเที่ยวให้สบายใจอีกสักระยะแล้วจึงจะกลับไปทำงานท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จึงบอกเขาว่าดีแล้วโยมพ อ, อ, อ อาตมาขออนุโมทนาแล้วก็รับรองวัตทุกขที่อัดแน่นอยู่ในอกจะสลายหายไปเขารู้สึกปีติที่พระอาจารย์ยังรู้ถึงความทุกข์ของเขาและเรียกเขาว่าพอออผมขออยู่อีกคนหนึ่งครับบุรุษมุสลิมที่เป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะแสดงความประสงค์เขาคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เขาถวายเงินพระอาจารย์สองพันบาทก็อาจจะเหลือเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมลูก สู้เขาถวายห้0อบาทแล้วปฏิบัติต่อเพื่อยกบุญให้ท่านน่าจะดีกว่าท่านพระครูรู้เท่าทันความคิดของเขาจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกโยมกลับไปดูแลลูกเธอเดี๋ยวจะต้องจายค่าเทอมลูกไม่ใช่หรือบุรุษนั้นจึงตัดสินใจกลาบเรียนพระอาจารย์อย่างตรงไปตรงมาท่านจึงบอกเขาว่าให้กลับบ้านไม่ต้องปฏิบัติเพื่อยกบุญให้ท่าน พระบุญท่านมีพอแล้วเขาจึงคิดว่าจะถวายท่านสองพันบาทตามที่ได้ตั้งใจไว้มิฉนั้นก็จะเสียสัตว์จะเงินหาใหม่ได้แต่สัต์จะเมื่อเสียไปแล้วเอาคืนไม่ได้ท่านพระครูนึกชื่นชมในกลวิธีแก้ปัญหาของเขาและคิดว่าเมื่อเขาถวายสองพันในวันพรุ่งนี้ท่านจะใส่ซองให้เขาสามพันเป็นทุนการศึกษาของลูกเขา โดยวิธีนี้เขาก็จะได้กำไร 1,000 ส่วนท่านขาดทุนเท่ากับจำนวนเงินที่เขาได้กำไรทว่าได้สงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกที่แม้จะต่างาศาสนากันหากก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน 1,000 พที่ขาดทุนจึงได้บุญเกินคุ้มพระอาจารย์ครับคุณสมบัติของพระโสดาบาันมีอะไรบ้างครับบุรุษที่มาปฏิบตัต เพราะเหม็นหน้าเมียกลาาเปียนถามเขาเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติจิ้มจิจ้ำจ้เพราะไม่ได้ตั้งใจมาเพียงแต่อยากจะหนีหน้าแยาแรงทึงที่อยู่บ้านเดียวกันมากกว่าสิบปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอยากเลิกกับหล่อนไปหาเมียมใหม่แต่ใจก็ห้ามว่าอย่าเลยปะเหมาะเคราะร้ายไปได้แย่กว่าเดิมก็ยิ่งชีช้ำ หนังสือพิมพ์พึ่งลงข่าวยกยกว่าเมียสุดโหดเจียนของรักของผัวโยนให้เป็ดกินบางฉบับก็ลงในลักษณะชื่นชมหล่อนว่าเป็นยอดหญิงใจเด็ดต่อให้ชื่นชมแค่ไหนเขาก็ไม่ขอพบเจอเมียแบบนี้ท่านพระครูเห็นเขาคิดเพ้อเจ้ออยู่จึงให้สติว่าโยมอย่าปล่อยจิตออกนอกตัวอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่ทำมา อย่าไปพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ควรคิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วให้กำหนดอยู่กับปัจจุบันโยมอยากจะรู้ไปทำไมว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันมันมีอะไรบ้างท่านทวนเรื่องที่เข้าถามผมจะนามาประเมินผลตัวเองครับจะได้รู้ว่าเราได้กี่อย่างแล้วและก็ยังขาดอีกกี่อย่างท่านพระครูจึงปรามเขาว่า โยมอย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่โยมคิดหรอกไม่เช่นนั้นคนก็เป็นพระโสดาบันกันหมดแล้วน่ะสิในใจท่านพูดว่าน้อยแน่มาปฏิบัติจิ ม, จ, มจิมจำจำยังอยากได้โซดาแค่โซดียังไม่ผ่านแล้วจะข้ามไปโซดาได้อย่างไรพี่ลึกจริงขณะนั้นเวลาสามทุ่มครึ่ง ท่านพระครูยังมีเวลาเทศสอนอีกครึ่งชั่วโมงท่านจึงบอกนานาศาสนิกว่าเอาละเรื่องการปฏิบัติอาตมาขอย้ำว่าต้องตั้งใจทำอย่างจริงจังเราเสียเวลาทิ้งการทิ้งงานมาแล้วก็ต้องเอาบุญกลับไปให้ได้อย่างน้อยๆ ก็ให้ได้บุญสำหรับตัวเองดีกว่านั้นก็คือเอาบุญไปฝากพ่อแม่ลูกหลานใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เอาไปฝากลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ด้วยความหวังดีอย่างจริงใจอย่าเห็นแก่อมิตรสินจ้างครูบาอาจารย์สมัยนี้มีคุณธรรมน้อยกว่าสมัยก่อนนักเรียนก็คุณภาพต่ำลงกระทรวงศึกษาก็ต้องเอาไปพิจารณานะ ใครเป็นรองอธิบดีกระทรวงศึกษาช่วยรับเรื่องไปด้วยท่านมองไปยังสตรีที่บอกว่าเกลียดแม่มานานหากหล่อนไม่มาเข้ากรรมฐานในครั้งนี้ก็ไม่มีโอกาสจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดีเพราะบาปกรรมที่ทำไว้กับแม่มาให้ผลค่ะพระอาจารย์หล่อนรับคำแล้วเรียนปรึกษาว่า ทางกระทรวงมีนโยบายจะให้ครูเลิกทำโทษเด็กด้วยการเคี่ยนดิฉันไม่ทราบว่าจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอยากขอแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะเลิกไม่ได้สิถ้าเลิกเด็กเสียหายหมดอัตมาขอแนะนำไว้ในที่นี้ว่าอย่าไปเลิกแต่ในอนาคตเขาไม่ฟังอัตมาหรอกเพราะเขาเห็นว่าอัตมาเป็นพระที่ไม่ได้เรื่อง ถึงตอนนั้นบ้านเมืองก็จะสับสนโอลมานใครไม่เชื่อก็คอยดูนะอีก2ี่สิบกว่าปีข้างหน้าจะเกิดกะลียุคโยมนานาศาสนิกไปจดไว้เลยนะถ้าไม่จริงอาตมาให้ปรับจะเอาหอประชุมหลังนี้ไปจำนำเอาเงินมาเสียค่าปรับทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะแบบเฟื่อนๆฟืนที่หัวเราะเพราะขำในคำพูดของพระอาจารย์แต่ ความเป็นห่วงประเทศชาติและเยาวชนทำให้ไม่สามารถหัวเราะแบบไม่เฝือนได้เอาละอนาคตยังมาไม่ถึงเรามาพูดกันเรื่องปัจจุบันก่อนอัตมาเห็นว่าการทำโทษนักเรียนโดยเขี่ยนโดยไม้เรียวควรจะต้องอนุรักษ์ไว้อย่างอัตมานี่ถูกเขี่ยนมาจนนับครั้งไม่ถ้วนครูในโรงเรียนไม่ว่าครูใหญ่หรือว่าครูน้อยได้เคี่ยนอัตมาทุกคน เพราะอาตมาสนอย่างร้ายกาจอยู่บ้านก็ถูกยายเกี้ยนไปโรงเรียนก็ถูกครูตีชีวิตนี้รันทดเสียเหลือเกินรู้สึกชอกช้ำระกำใจอย่างที่สุดแต่เมื่อการผ่านไปอาตมาก็มาสานึกได้ว่าที่เราได้ดิบได้ดีมานีเพราะไม่เรียวของครูกับของยายไม่ใช่หรืออาตมายังจำที่ครูเขาสอน จำได้มาจนทุกวันนี้ครูสอนว่าจงจำคําครูหนูเอ๋ยไม่เรียวเจียวเว๋ยกูเคยเข็ดลาบขวับเขี้ยวสรุปว่าไม่เรียวต้องอนุรักษ์ไว้อยากให้นักเรียนดีแต่ครูก็ต้องมีเมตตานะคือต้องเคียนโดยเมตตาอย่าเคียนโดยโทสะถ้าเคียนโดยโทสะ ก็จะเกิดเรื่องเกิดปัญหาตามมาตกลงรองอธิบดีรับเรื่องไว้พิจารณานะรับไหมท่านเย้าคนเป็นรองอธิบดีรับค่ะคนที่เคยเกลียดแม่แต่บัดนี้ไม่เกลียดแล้วตอบรับเอาละทีนี้ก็มาพูดเรื่องพ่อแม่คนที่ทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่ต้องตกนรกแน่นอน คำพูดของท่านพระครูทำให้จําเลยทั้งสามหน้าสลดลงโดยเฉพาะหญิงสาวที่ทำร้ายพ่อเพียงเพราะไม่ให้ซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ไม่มีวิธีแก้กรรมเลยเหรอคะหลวงพ่อไม่มีวิธีแก้กรรมเลยเหรอคะพระอาจารย์สาวน้อยหนึ่งสาวใหญ่สองถามขึ้นพร้อมกันด้วยความรู้สึกรักตัวไม่กลัวตายแต่กลัวตกนรก ท่านพระครูตอบเป็นภาษาบาลีว่ากตัตตะนัติปติการังแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรครับทุกคนยกเว้นผ อ, อ, อกองการเจ้าหน้าที่กรมาศาสนาถามขึ้นพร้อมกันท่านพระครูจึงพูดกับผ อ, อ, อาวา่อออาผอช่วยแปลด้วยคนถูกภรรยาด่าว่าน่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานจึงแปลให้สหธรรมิกฟังว่า กตัตสะนัติปฏิการังแปลว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้อยู่ในหนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตเล่มหนึ่งหน้าเก้าของหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีครับเขาบอกที่มาให้ด้วยท่านพระครูอธิบายขยายความว่ากรรมที่ทำลงไปแล้วมันแก้ไม่ได้ อย่าไปเชื่อพระหรือหมอผีที่มาหลอกว่าจะทำพิธีแก้กรรมให้แล้วก็บอกราคาทำพิธีถ้าใครเจออย่างนี้อย่าไปหลงกลเป็นอันขาดอาตมาเห็นโดนหลอกกันจนหมดเนื้อหมดตัวกันมานักต่อนักแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งมาบอกอาตมาว่ามีคนไปแอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์อัตมารับจ้างแก้กรรมในราคากันเองแม้ อาตมาอยากรู้จังว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตั้งแต่เมื่อไรถ้าอาตมาแก่กรรมได้ก็คงไม่รถความคอหักเมื่อวันที่ส4ตุลาคมพุทธศักราช2521น่ะาสินี่ก็ผ่านมาตั้งเจ็ดปีแล้วเพราะฉะนั้นโยมนานาสสนิกอย่าไปให้เขาหลอกนะคนเดี๋ยวนี้มันหากินกันแปล ก, ปลกไม่รู้จักกลัวบาปกลัวกรรม ท่านสังเกตเห็นสามสาวหน้าตาซีดลงซีดลงคงจะกลัวตกนรกจึงบอกวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้กรรมว่าคนที่ทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่ภายหลังเกิดสำนึกได้แล้วไปกราบขอขมาลาโทษท่านถ้าท่านอาโหสิกรรมให้ก็ไม่ต้องไปตกนรก แต่ถ้าเกิดสำนึกได้ตอนท่านตายไปแล้วก็เอวังท่านใช้สำนวนเทศอีกครั้งจากนั้นจึงบอกวิธีขอขมาโทษพ่อแม่ดังนี้วิธีขอขมาก็คือนำทูบเทียนแพรและพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบเท้าท่านก่อนกราบให้ล้างเท้าให้ท่านก่อนล้างเสร็จก็เอาผ้าขนหนูที่เราใช้เช็ดหน้ามาเช็ดเท้าของท่านจนแห้ง จะโรยแป้งฝุ่นหอมๆด้วยก็ได้ตำรวจคงไม่จับส่วนคำขอเข้ามาก็พูดไปตามที่เราได้กระทําไว้กับท่านอย่าลืมนะพ่อแม่มีพระคุณต่อเรามากใครทําไม่ดีกับพ่อแม่คนนั้นจะทํามาหากินใหม่ขึ้นอาตมาเห็นมานักต่อนักแล้วบางคนก็ตั้งใจจะฆ่าพ่อแม่แต่ยังไม่ทันได้ฆ่า เขาก็ถูกทรณีสูบเสียก่อนแล้วไปตกนรกไหมคะลูกสาวหมอถามท่านพระครูเห็นว่าเป็นคำถามที่บื้อซื่อเสียละเกินจึงพูดตรงๆว่าหนูทำไมถามบื้อซื่ออย่างนั้นละ่ะคนที่ถูกทรณีสูบจะได้ไปขึ้นสวรรค์อย่างนั้นหรือไม่น่าถามให้เสียฟอร์มท่านใช้คำไทยปนฝรั่งซึ่งกาลังเป็นที่นิยม พระอาจารย์ครับคำว่าบื้อซื่อไม่มีมีแต่ซื่อบื้อครับบุรุษหนึ่งทักท้วงทำไมจะไม่มีละ่ะก็อาตมาพูดอยู่นี่อย่างไรละ่ะพระอาจารย์คงตั้งใจจะพูดซื่อบื้อกระมังครับอาตมาตั้งใจจะพูดบื้อซื่อและเป็นอย่างไรละ่ะอาตมาจะบัญญัติสับขึ้นมาใหม่บ้างไม่ได้หรือหรือว่าคำนี้ไม่มีในพจนานุ ก, กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านตั้งใจยัว่วเพื่อจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นหากก็ช่วยไม่ได้เพราะบรรยากาศในหอประชุมภาวนาก่อรสีทิพาไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดท่านจึงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ด้วยการถามนานาศ า, าสนิกว่าง่วงนอนกันหรือยังอย่าเพิ่งง่วงนะเพิ่งจะสองทุ่มเองเกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะ เกือบสี่ทุ่มแล้วครับนานาศาสนาทักทวงอ้อแสดงว่ายังไม่ง่วงอัตมาลองทดสอบดูถ้ายม ง, ง่วงก็จะไม่รู้ว่าอัตมาพูดผิดเอาละที่นี่อัตมาจะพูดเรื่องสุดท้ายคือเรื่องธรณีสูบเพราะได้เกริ่นไว้แล้วว่าคนที่มีจิตคิดฆ่าพ่อแม่ถึงยังไม่ทันได้ฆ่าก็ถูกธรณีสูบได้ คนที่ถูกธรณีสูบตกนรกทันทีอันนี้มีตัวอย่างมากมายในชาดกธรณีสูบก็คือสูบลงไปในนรกไม่ใช่สูบไปขึ้นสวรรค์นะหนูนะท่านพูดกับหญิงสาวที่ถามบื้อซื่อค่ะหลวงพ่อแต่หลวงพ่อคะหนูเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์หนูจำชื่อไม่ได้แล้วคะ่ะจำไม่ได้ทั้งชื่อหนังสือ และชื่อศาสตราจารย์ที่เป็นคนเขียนไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาเขียนว่าอย่างไรล่ะท่านถามเขาเขียนว่าคนที่ถูกทรณีสูบนั้นไม่ใช่แผ่นดินสูบลงไปจริงๆแต่หมายถึงถูกประชารันหนูก็เลยรู้สึกสับสนเพราะตอนที่หนูเรียนชั้นมัธยมครูเขาสอนว่าคนที่ถูกทรณีสูบก็คือถูกแผ่นดินสูบลงไป แสดงว่าครูของหนูสอนผิดใช่ไหมคะทำไมหนูจึงคิดว่าครูสอนผิดละ่ะท่านพระครูถามท่านเองก็เคยอ่านหนังสือเล่มนี้และรู้ทั้งชื่อหนังสือและชื่อศาสตราจารย์ผู้เขียนท่านมีตถาคตโพธิสัตว์จึงไม่เชื่อตามที่เขาเขียนในพุทธประวัติมีผู้ถูกธรณีสูบห้ารายได้แก่พระเจ้าสุปปพุทธะพระเทวทัต นางจินจมานวิกานันทมานพและนันทกยักษ์บุคคลทั้งห้านี้บาปหนักเกินกว่าแผ่นดินจะรองรับไว้ได้จึงต้องสู่ไปลงนรกเพราะครูย่อมความรู้น้อยกว่าศาสตราจารย์ค่ะไม่จริงเสมอไปหรอกนูเอาละหลวงพ่อขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าธรณีสูบไม่ใช่ถูกประชาทานานมันคนละเรื่องกัน หลวงพ่อเคยฟังเรื่องของคนที่ถูกทรณีสูบสองรายรายแรกผู้ที่เล่าให้หลวงพ่อฟังคือท่านเจ้าคุณโชดกพระอาจารย์ของหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2498ที่หลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานกับท่านเป็นครั้งที่สองครั้งแรกไปเมื่อปีพุทธศักราช2493เรื่องนี้หลวงพ่อเคยเล่าให้ญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาฟังหลายครั้ง จนเก่าแล้วจึงไม่ขอเล่าอีกฟังเรื่องที่สองดีกว่าถ้าฟังทั้งสองเรื่องเกรงว่าจะเลยเวลาเดี๋ยวจะตื่นไม่ทันทำวัดเช้าตกลงนะท่านตั้งเงื่อนไขเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านท่านจนเล่าเรื่องสั้นๆว่า ประมาณปีพุทธศักราช 2,504 มีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาจากลกบุรีเขามาเล่าให้อัตมาฟังที่วัดนี้เมื่อพูดกับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านแทนตัวเองว่าอัตมาส่วนผู้ปฏิบัติเรียกท่านว่าพระอาจารย์ยกเว้นลูกสาวหมอที่เรียกท่านว่าหลวงพ่อเวลาพูดกับหลอนท่านจึงแทนตัวเองว่าหลวงพ่อ เขาบอกว่าเขาไปดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดลบบุรีธรณีสูบที่หน้าโบส์วัดอะไรอาตมากอดจำไม่ได้แล้วเพราะเวลามันล่วงเลยมา24ปีเขานี่แล้วเขาบอกว่ามีคนมาดูกันประมาณร้อยเศษชายผู้นี้ชอบกินเหล้าเมายาเมาเหล้าแทบทุกวันแล้วก็เอาลูกชายอายุสองขวบกว่ามาให้แม่เขาช่วยเลี้ยง เด็กมันก่นอซนพ่อยญ้าเผลอมันก็ปีนขึ้นไปบนปากโอง่งแล้วก็ตกลงไปจมน้ําตายอยู่ในโอมอยหาก็หาหลานไม่เห็นพ่อพ่อเด็กกลับมาพบว่าลูกตายอยู่ในโองก็โกรธแม่เข้าไปในครัวคว้ามีดอิโต้มาไล่ฟันแม่แม่ก็วิ่งหนีวิ่งไปไหนรู้ไหมหนูถ้าหนูเป็นแม่ของผู้ชายคนนั้น หนูจะวิ่งไปไหนท่านถามลูกสาวหมอวิ่งไปแจ้งตำรวจค่ะหญิงสาวตอบพอดีสถานีตำรวจอยู่ไกลเพราะมันเป็นบ้านนอกแล้วแม่ก็ไม่รู้จักสถานีตำรวจท่านพยายามบอกใบ้วิ่งไปวัดครับเพราะคนบ้านนอกเขานับถือพระมีอะไรก็ไปหาพระให้พระช่วยบุรุษหนึ่งตอบพร้อมกับนึกตำหนิลูกสาวหมอว่า สวยก็ไม่สวยแถมยังบื้อซื่ออีกเขาเห็นด้วยกับพระอาจารย์ที่บัญญัติสั์ใหม่มาใช้ถูกแล้วแม่ของเขาก็วิ่งไปที่วัดลูกก็วิ่งตามไปทันที่หน้าโบสถ์พระท่านมาเห็นเขา้าท่านก็ห้ามบอกว่าโยมอาตมาขอบินทบาทเถิดนะคือท่านขอบินทบาทชีวิตแม่ของเขาไม่ให้เขาฆ่าแม่ ชายผู้นั้นไม่ถวายชีวิตแม่แด่พระคุณเจ้าแต่ถวายอะไรรู้ไหมใครตอบได้อตมาให้สองบาทถวายตัวครับบุรุษที่นั่งแถวหน้าตอบเป็นอย่างไรถวายตัวเป็นอย่างไรขยายความหน่อยสิก็มอบตัวขอบวชล้างเวรล้างกรรมนะครับผิดใครจะตอบอีกคราวนี้ขึ้นจากสองบาทเป็นสี่บาทถ้าตอบถูก ถวายมีดครับบุุษคนเดิมตอบอีกเขาอยากได้เงินจากท่านเป็นขวัญถุงถวายอย่างไรวางไว้ที่เท้าของท่านครับไม่ถูกใครตอบถูกอัตมาให้สองมืนท่านเพิ่มรางวัลให้ห้าพันเท่าเอาใส่พานถวายครับ บุรุษอีกคนตอบผิดเอาละอาตมาจะเฉลยถ้าให้ตอบอีกเดี๋ยวอาตมาจะต้องเสียสองหมื่นแล้วท่านจึงเฉลยว่าถวายที่แขนคือใช้มีดอิโต้ฟันแขนพระเกือบขาดทันใดนั้นประตูโบทก็สุดลงมาแล้วแผ่นดินตรงนั้นก็แยกสู่เขาลงไปเขาก็ร้องให้แม่ช่วยแม่ก็ดีเลือเกิน ลูกกาลังจะข่าก็ไม่โกรธแม่ก็นั่งคุกข่าวกราบแม่ธรณีขอขมาแม่ธรณีแทนลูกเพราะแม่ยกโทษให้ลูกแล้วขอแม่ธรณีอย่าสูบลูกลงไปเลยแม่ธรณีก็สูบลงไปท่ามกลางสายตาคนประมาณ100ร้อยเศษเอวังก็มีด้วยประการนี้ท่านจบด้วยสํมนวนเทศอีกครั้งนานาศาสนิกต่างเปล่งสาธุการกั น, ท, นทั่วทั่วอาลละ ที่นี้อาตมา ก, ก็จะมอบของที่ระลึกไปเป็นที่ระลึกเพราะว่าโยมปฏิบัติมาครบเจ็ดวันเจ็ดคืนในคืนนี้แล้วผู้ปฏิบัติที่เป็นชาวพุทธคิดว่าท่านจะให้เครื่องรางของขลังอาจเป็นพระสมเด็จหรือไม่ก็ตะกรุดกันภายกันผีศาสนิกอื่นๆก็คิดเช่นเดียวกันคนเคร่งน้อยคิดว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ส่วนคนเคร่งมากเกรงว่าจะผิดต่อคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือจึงคิดว่าจะนําไปมอบให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เป็นชาวพุทธท่านพระครูรู้ความคิดของพวกเขาจึงพูดว่าอาตมาไม่ได้จะให้เครื่องรางของขลั้งแต่จะให้ธรรมะที่ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็สามารถนําไปปฏิบัติได้ และถ้ายมปฏิบัติได้จริงก็ถือว่ายมได้เพชรได้ทองไปคนละกิโลถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์โสธิผลแต่ประการใดธรรมะที่อาตมาจะให้เป็นพุทธภาสิทิที่มีมาในขุททกาิกายชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่22หน้าที่36ความว่าอัตติอัตโนนาโถ โกหินาโถปโรสยาอัตนาหิสุทันเตนะน า, าะถังลพติทุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากทันทีที่ท่านอัญเชิญพระพุทธภาษิต จ, จบลง เสียงยามประจำหมู่บ้านตีแผ่นเหล็กสิบครั้งก็ดังขึ้นท่านจึงกล่าบพระรัตนตรยัยโดยอาจารย์ยุพินบอกให้ทุกคนนั่งคุกเข่าประนมมือพระอาจารย์ว่านำอรหังสัมมาสัมพุทโตภควาผู้ปฏิบัติว่าตามไปจนถึงสังคังนา ม, ามิจากนั้นพระอาจารย์จึงออกจากหอประชุมโดยมีในขุนทองหิ้วย่ำตามหลังไป ผู้ปฏิบัติกราบขอบคุณอาจารย์ยุพินหนึ่งครั้งไม่แบมือแล้วจึงเดินเป็นแถวออกจากหอประชุมไปยังที่พัก